ค่อยๆตื่นค่อห้ตื่นขึ้นมาเนาะคิดฝันกันใหญ่รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้แล้วก็ดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานมีแรงดูเข้าไปถึงจิตใจได้ก็ดูจิตใจเป็นหัวโจกของธรรมะเป็นหัวหน้าจะเป็นกุศลหรืออกุศลอะไรก็เกิดที่จิตนี้แหละ ถ้าดูเข้าถึงจิตถึงใจได้ดีที่สุดนะมักผลก็เกิดที่จิตนิพพานรู้ด้วยจิตไม่ได้รู้ด้วยร่างกายาดูเข้าถึงจิตถึงใจได้นะก็จะเห็นกุศลเกิดก็เห็นอกุศลเกิดก็เห็นนะโลกุตตระธรรมทั้งหลายก็เห็นด้วยจิตด้วยใจนิ่งถ้าแรงไม่พอดูจิตไม่ออกเข้ามาดูกาย จิตเหมือนเจ้าของบ้านกายเหมือนบ้านที่จิตอาศัยอยู่เราดูหาเจ้าของบ้านไม่เจอแล้วมาเฝ้าบ้านเขาไว้มาดูบ้านเขไว้เดี๋ยวสักวันก็ต้องเห็นเจ้าของบ้านแต่บางคนเริ่มต้องดูกายไม่มีแรงดูจิตนะก็อย่าไปตกใจไม่ช้าไม่เร็วกันเนาะดูกายมากไป มีกําลังขึ้นมาไปเห็นจิตนี้ิดๆหน่อยๆ น, นะก็หลุดไปละให้ดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะให้จิตมีที่พักที่อาศัยอย่าพุโทโธจะหายใจอะไรก็ทำนะให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีความสุขมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาพอมีแรงเรากลับไปดูจิตได้หรือมีแรงแล้วกลับไปดูกายได้ ก่อนหลวงพ่อเคยถามหลวงปูดุลบอกว่าไปวัดโน้นวัดนี้นะเจอครูบาอาจารย์หลายวัดท่านสอนแต่เรื่องกายครูบาอาจารย์วัดป่าก็จะมีแต่พูดโธพิจารณากายสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดหลวงพ่อเทียนก็ดูกายขยับทำจังหวะนั้น ทางท่านพุทธทาสกรู้ลมหายใจมันก็เรื่องกายอีกไปไหนไหนก็มีแต่สายกายถามหลวงปู่ว่าผมต้องย้อนไปดูกายไหมหลวงปู่ท่านมองหันมามองนะแบบสลดสังเวชก็บอกว่าที่เข้าดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อภานาจนเข้าถึงจิตถึงใจแล้วเอาอะไรกับกายกลายเป็นของทิ้ง มานึกดูนะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนให้ดูกายดูกาถ้าหลวงพ่อเข้าถึงตัวท่านนะแต่แล้วองศ์สอนหลวงพ่อดูจิตทั้งนั้นเลยยังไม่เคยเจอองศ์ไหนสอนให้ย้อนไปดูกายเลยเข้าไปหาหลวงพ่อพุทธนะสอนให้ดูจิตหลวงุทเทศท์สอนในเรื่องจิตกับใจทั้งหลวงตามมหามบูร์สอนให้ดูจิตต้องถึงจิตจริงๆ ไม่ได้บอกให้ย้อนไปดูกา ย, าย่ไหนหลวงปู่สิบเมื่อสอนให้ดูจิตบางทีเราภานาผิดนะมีอยู่คราวหลวงพ่อเห็นกิเลสมันผุดขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยพอเราดูมันปุ๊บนะมันหดตัวแทนที่มันจะสลายตัวดับวับไปนะมันหดตัวหนีไปลึกเข้าไปข้างในตามมันเข้าไปดูอยากไปดูว่าต้นตอของกิเลสมันมาจากไหน เราตามลงไปปุ๊บมันสลายตัวหายไปหายไปเลยเราขึ้นมาใหม่นะก็กิเลสโผล่ขึ้นมานะดูอีกก็ตามมันลงปีกไล่ลึกๆลึ ก, ล, กลงไปเลยกล่าวว่าจะไปถึงบา ด, ดาลก็จะไปแล้ววันเนี้จะต้องดูต้นต่อของกิเลสให้ได้ดีไปทางเหนือขึ้นไปถ้าผับหลองเราขึ้นบนรดาถ้ำไปท่านะหลวงปู่สิมเดินั่งอยู่ท่านให้ขวักมือเลือด ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกเนี่ยเราเข้าไปหากิเลสภายในหลวงปู่บอกให้ออกมาข้างนอกนี่กิเลสอยู่ข้างนอกกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนัรู้ว่าเราไปดูคําว่ากิเลสอยู่ข้างนอกตอนได้ยินท่านพูดทีแรกก็งงหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกให้เราเลยส่งเข้าข้างในหลวงปู่สิมบอกว่าให้มาอยู่ข้างนอกนี่ ไม่ให้เข้าข้างในมันนึกได้หลวงปูธธ่เทศเคยสอนให้รู้อย่างเป็นกลางกลางไม่ส่งนอกไม่ส่งในเคยสอนอย่างนี้ก็เลยประคองจิตเอาไว้ตรงกลางอีกทั้งมันก็ผิดอีกเนี่ภาวนานะโวยมันมากเลยส่งนอกก็ผิดนะส่งในก็ผิดนะประคองไว้ตรงกลางก็ผิดอีกแล้วจะไปอยู่ที่ไหน ไปถามหลวงปู่ดูหลวงปู่รับจิตมันอยู่ที่ไหนแนะ่จิตไม่มีที่อยู่จิตไม่มีที่ตั้งอย่างนี้ถามหลวงปู่เราจะตั้งไว้ที่ไหนดีตั้งข้างนอกก็ไม่ได้ตั้งข้างในก็ไม่ได้ตั้งไว้ตรงกลางก็ไม่ได้หลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนเวลาสอนนะจะสอนสั้นๆเราต้องคน้นคว้าพิจารณาเอาเองต้องปฏิบัติเอาเอง คำสอนบางคำสอนนะใช้เวลาทั้ง2ี่สปีนะมันจะเข้าใจถ้าบวชเป็นพระคงเข้าใจได้เร็วขึ้นคำสอนที่ประณีตมากๆเนี่ยครวาาทํายากพระทําง่ายกว่าแต่คําสอนเบื้องต้นนะไม่ช้าไม่เร็วต่างกันนอกล้วพระไปติดสมาธิมากๆหมัวแต่วางฟอร์มว่าเป็นพระอะไรเงี้ย มีมานาาตาแรงสอนยากว่ายากช้ากวะโยมซงอีกยมเห็นทุกข์ทั้งวันเลยรู้สึกไหมชีวิตทุกข์เยอะแยะเลยรถติดก็ทุกข์ใช่ไหมทำงานโอ้โหค่ำแล้วยังไม่ได้เลิกเลยคนอื่นเขาไปหมดแล้วเราอีกงานที่บริษัทเรายังไม่เลิกเลยมีแต่ทุกข์นะกลับมาบ้านสมสารมา คนที่บ้านนี้ไม่อยู่สักคนลูกก็หายไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยชีวิตมีความทุกข์เยอะแยะเลยภาวนาไม่เป็นนะก็ถือว่าชีวิตช่วงเนี้ยอาภัพที่สุดเลยลําบากที่สุดถ้าภาวนาเป็ น, นช่วงเนี้เป็นช่วงที่ภาวนาได้กับปี่กระเปร่ามากเลยช่วงที่มีปัญหาเนี่เมื่อปีห้าสี่บ้านไข่น้ําท่วมมั้ง ปีนี้มาอีกแล้วเว้นห้าห้าให้ปีหนึ่งนะกังวลไหมต้องกังวล น, นะอย่ามันหลอกว่าไม่กังวล น, นะน้ําท่วมบ้านไม่กังวลได้ไงเนะี่ยมันมีอะไรให้เราดูเยอะนะในชีวิตเราไม่ได้สุขไม่ได้สบายเวลามีความสุขเวลามีความสบายนั้นภาวนายากเพลินมันะเปียงพวกเทวดาจํานวนมากเลย สร้างความดีนะขึ้นไปเป็นเทวดามีความสุขความสบายนะผลัดวันประกันพรุ่งนะไม่ภาวนาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเรืๆถึงวาระสุดท้ายอยากภาวนาก็ไม่ทันนะเธอเทวดาที่ท่านเห็นโทษเห็นภัยในวั ต, ตะเคยได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระหันสาวกอะไรมาสมัยพุทธกาลนะท่านไม่ประมาทท่านขยันภาวนากัน เวลาที่มีความสุขเวลามีความสบายนะเราไม่จะขี้เกียจเวลามีความทุกข์เราคิดถึงการภาวนาเวลาทุกข์ถ้าทุกข์พอดีพอดีนะอย่างขนาดทุกข์แบบมนุษย์เนี่ยพอดีพดีทุกข์บ้างสุขบ้างดีบ้างร้ายบ้างนี่ภาวนาง่ายพาวนาดีที่สุดเลยเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วแต่ถ้าทุกข์สุดขีดนะีแบบสัตว์นรกเนะนี่ยภาวนาไม่ได้มันทุกข์เกินไป วันนี้ก็ทุกพรุ่งนี้ก็ทุกมาเลืนก็ทุกมันเห็นเลยทุกคงที่ไปหมดเลยกลายเป็นทุกนี่เที่ยงนะใครทุกก็เราทุกอีกเลยไม่พ้นเป็นเทวดาร่างกายก็งดงามไม่แก่บางองค์ชอบเป็นเด็กนะก็จะแกล้งทําตัวเป็นเด็กอยู่นะบางคนบางองค์ชอบทําตัวให้ดูแก่ๆ ก, นะก็จะทําเป็นแก่ๆอยู่นะคงที่อยู่นะั่นนะ จนถึงวันตายรัศมีถึงจะเศร้ามองแล้วกลายเป็นว่าเห็นร่างกายเที่ยงดูยากใช่ไหมมีความสุขทุกวันเลยจะดูว่าโลกนี้เป็นทุกข์ก็ดูยากอีกยี่ขึ้นไปเมโรมโลกเนืร่างกายก็เหมือนเที่ยงจิตใจก็เหมือนเที่ยงทรงสมาธิทรงฌานอยู่อยู่อย่างนั้นเนี่ยนานแสนนาน โลกแตกแล้วแตกอีกไม่รู้ทั้งเท่าไหร่เท่าไหร่นะโฟมนี่ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยอยู่ไปนานนะจนทั้งลืมที่มาของตัวเองก่อนๆอยู่มานานมากก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองไม่มีใครเป็นคนสร้างตัวเองขึ้นมาเราั้นตัวเองเป็นพระเจ้าเกิดก่อนคนอื่นเราเห็นทุกคนอื่นมาทีหลังเนี่ยสะสมความเห็นผิดขึ้นมาว่าตัวเองเป็นสยามภู เป็นคนแรกเลยเกิดมาคนแรกมีฤทธิ์มีอำนาจเหนือคนอื่นแทนที่จะเห็นว่าไม่เที่ยงก็เห็นว่าเที่ยงแทนที่จะเห็นทุกข์ก็เห็นว่าสุขนะแทนที่เห็นว่าไม่มีตัวเรากลายเป็นมีตัวเราเราเนี่ยถาวรเราเป็นอมตะอีกงั้นเราเกิดในภพภูมิเป็นมนุษย์นะถือว่าบุญที่สุดแล้วล่ะการได้เป็นมนุษย์นี่ดีที่สุดแล้วเป็นนาทีทองในวัฏฏะของเรา เกิดเป็นสัตว์นรกนะก็ทุกข์มากทุกข์มันเที่ยงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หลงตลอดภาวนาไม่ขึ้นเกิดเป็นเปรตเป็สุรกายนะหิวโหยเดือดร้อนลำคันใจคงที่อยู่งั้นลำบากอยู่งั้นภาวนาไม่ไหวเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดามีความสุขมากเกิดเป็นพรมเห็นอะไรก็เที่ยงไปหมดเลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิหนักเขมริง เป็นมนุษย์นี่ดีที่สุดเลยสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานดีก็ไม่นานชั่วก็ไม่นานคุ้มดีคุ้มร้ายตลอดเวลาเป็นภูมิที่เหมาะที่จะเห็นไตรลักษณ์ดีที่สุดเลยที่จะเห็นไตรลักษณ์พระสัตรีอภัยนะั้นไม่มีกําลังที่จะเห็นมันลำบากมากไปเทพพรมก็สบายมากไปดูไตรลักษณ์ยากยางั้นเราเป็นคนต้องภูมิใจนะบาคน อยากไปเป็นเทวดาพวกเทวดาเวลาใกล้จะตายนะพวกเพื่อนเทวดาจะอวยพรขอให้ได้เกิดเป็นคนพวกเราใครจะตายเราก็อยากให้ไปเป็นเทวดาไม่พอใจในภูมิของตัวเองแต่บางคนหนักวนนั้นนะไม่ได้อยากเป็นเทพเป็นพรหมอยากเป็นหมาฝรั่งก็มีนะเคยได้ยินมาหลายไายอยากเกิดเป็นหมาฝรั่งหมาไทยก็ไม่เอาต้องเป็นหมาฝรั่ง ที่จริงการเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าประเสริฐที่สุดสําหรับการภาวนาเป็นมนุษย์นะาอารมณ์มันเปลี่ยนเร็วร่างกายก็เปลี่ยนเร็วแต่ละปีแต่ละปีหน้าตาเราเปลี่ยนตลอดเวลาหรือปีเดียวกันนะซอกสองสามเดือนหน้าตาเราก็เปลี่ยนลองถ่ายรูปไปดูถ่ายรูปไปดูถ้าละเอียดขึ้นมานะเราจะเห็นว่านั่งอยู่ ก็อยู่ได้ไม่นานเดินอยู่ก็เดินได้ไม่นานนอนก็นอนไม่นานยืนก็ยืนไม่นานหายใจออกก็ไม่นานหายใจเข้าก็ไม่นานดูให้ละเอียดเข้าไปร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เจ็บตรงโน้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกะหายน้าเดี๋ยวต้องการขับถ่ายพีก็เจ็บไข้ได้ป่วย ยังแข็งแรงอยู่ก็นานๆป่วยมากทีหนึง่งอายุเยอะขึ้นนะภูมิต้านทานน้อยลงสอกระแสะป่วยไปยเรื่อ ย, ย, ยเนี่ยปลายฝนต้นหนาอะไรเนี้ยคนแก่ๆตายไปเยอนะบางคนตายเพราะกระเสียนเธอใหญ่พอแม่ใหญ่ขึ้นมาเฉาตายเลยมีนะยเยอะเลยนันเป็นมนุษย์นะในร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ แต่ก็ทุกพอทนได้ไมันค่อยเปลี่ยนรวดเร็วมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูได้จิตใจก็ เ, เปลี่ยนรวดเร็วตามมองเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจ ม, มูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสก็เปลี่ยนใจคิดนึกความรู้สึกนึกที่ในใจก็เปลี่ยนอีกมีกิ่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วมาก กายของเราใจของเราเนี่ยแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาแต่คนทั่วไปที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าคือพุทธเจ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติล้าเลยที่จะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจสนใจสิ่งภายนอกไม่สนใจร่างกายและจิตใจของตนเองว่ามันเป็นอย่างไรพวกเรา ถือว่าเป็นพวกที่ได้สะดับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้ว่าเราควรจะมารู้กายรู้ใจตัวเองให้มากทางรอดจากวัฏฏะอยู่ตรงที่เรามาคอยรู้กายรู้ใจของตัวเองนี่แหละถ้าดูกายมากๆจะเห็นความจริงของกายดูจิตใจมากๆก็เห็นความจริงของจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ร่างกายก็ถูกบีบคั้นนะมีเวทนาบีบคั้นร่างกายนี้ตลอดเวลาจิตใ จ, จถูกทันหาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเวลาเกิดทันหานะใจจะถูกบีบคั้นให้ดิ้นรนพวกเราพอนามมาถึงวันนี้ดูออกไหมเวลาเกิดความอยากที่ไรใจมันดิ้นใจมันทุกข์นะฝ้ารู้ลงไปดู ก, กาย เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกมันจะเด่นในร่างกายอนัตตก็เด่นในแง่มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดูจิต ด, ดูใจนะอ น, นิจจังจะเด่นมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคําว่านิจจังหมายถึงสิ่งที่เคยมีแล้วมันไม่มีสิ่งที่เคยมีก็ไม่มีหายไปนี่อ น, นิจจังทุกขังก็คือสิ่งที่กําลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัว อนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีอยู่นะที่ยังไม่เกิดแล้วเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราสั่งไม่ได้อย่างเราสั่งร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายสั่งไม่ได้สั่งจิตใจนะไม่ให้มีกิเลสอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้อนิจจังแล้ของก็เคยมีแล้วมันไม่มี ทุกขังของที่กําลังมีอยู่ถูกบีบขั้นเพื่อจะให้หายไปให้ไม่มีอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุที่เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยดูของจริงนะพอเราเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจมากๆมันจะเริ่มเบื่อหน่ายที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เบื่อหน่ายในกายในใจของเราแต่เราเบื่อร่างกายที่ไม่สบายถ้าร่างกายดีๆเราชอบชอบอยากให้มันดีตลอด อยากหนุ่มอยากสาวอยากแข็งแรงเราไม่ได้เบื่อร่างกายแล้วเราเบื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรย่างเงี้ยเราไม่ได้เบื่อจิตใจนะเราชอบจิตใจมากเลยที่เราเบื่อ เ, เบื่ออารมณ์ที่ไม่ถูกใจถ้ามีอารมณ์ที่ถูกใจมากก็ชอบถ้าเราได้พอนาเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจอย่างถ่งแท้มากเข้ามากเข้า จะเกิดความรู้สึกเบื่อในกายเบื่อในใจเพราะเห็นว่าเป็นของไม่มีสาระร่างกายนี้ไม่มีสาระเลยเป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีความแปรปรวนทนอยู่ไม่ได้ไม่นานก็แก่เท่าแตกสลายไปจิตใจก็มีแต่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็บังคับไม่ได้เลือกไม่ได้ หาความสุขมาให้มันเท่าไหร่เท่าไรนะพยายามดิ้นรนหาความสุขมาให้มันด้วยการหาผัสสะที่ดีมันได้รับความสุขมันเสพผัสสะนะั้นชั่วครั้งชั่วคราวนะมันมีความสุขเ่อมันเสพไปเรื่อยมันก็ไม่สุขอีกละก็ต้องไปหาอารมณ์ใหม่หาผัสสะใหม่มาป้อนมันเพื่อจะให้บำรุงให้มันมีความสุขขึ้นมาอีกอย่างพวกเราเคยชอบเพลงสักเพลงหนึ่งไหมชอบพิเศษได้ยินแล้วมีความสุขอะไรอย่งี้ 菩萨ไปซื้อซีดีมาฟังนะเป็นร้อยๆก็ไปซื้อมาเปิดทั้งวันเลยเปิดไปเปิดไปถึงจุดหนึ่งนะทนเปิดต่อไปไม่ได้ความสุขหายไปลแล้ว菩าเสียเงินตั้งแพงซื้อข้าวได้ทั้งหลายจานไปซื้อซีดีมาเปิดแล้วมีความสุขมีความสุขไม่นานนะความสุขหายไปแล้วต้องไปหาแผ่นใหม่มาฟังอนะีกแล้วไม่เหมือนซีดีหลวงพ่อประโมท น, นะ ฟังแล้วก็มีความสุขนะเรายิ่งพาณาไปเรื่อยนะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะแทนที่จะสุขน้อยลงนะนั้นทรมากกับโลกนียกลับข้างกันนละเนี่ยจิตใจนะหาอะไรมาป้อนให้เท่าไหร่เท่าไหรนะ่ก็ไม่สามารถจะมีความสุขถาวรได้มีความสุขได้แป๊บๆปบ๊ไปจีบสาวสักคนหนึ่งสวยเหลือเกินคิดว่าถ้าได้มาแล้วมีความสุข ไปได้มาแนละสักพักหนึ่งก็งั้นงั้นอนะ่ะอยากไปจิบคนอื่นต่ออีกล้วเหนื่อยต่ออีกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราหามาป้อนผัสสะเนี่ยหามาป้อนเข้ามาให้จิตใจเราหวังว่าจะมีความสุขความสุขมันอยู่สั้นนิดเดียวเองแล้วก็สลายตัวไปเนี่ยเฝ้ามาดูดูดูนะจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลย ร่างกายเต็มไปด้วยของไม่น่าสนใจไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตใจก็ไม่ได้เรื่องได้เราฟังธรรมะทีแรกก็สดชื่นนะพนานไปใช่ไหมเสพนานไปชักซึมพอมีอารมณ์ใหม่มาก็สดชื่นสดชื่นเนี่ยหาอารมณ์มาป้อนทั้งวันเลยนะ อารมณ์บางอย่างก็แพงอย่างไปดูหนังฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปจีบสาวอะไรเนี้ยแพงอัดพนานะอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของการปฏิบัตินะไม่เสียสตังซื้อจนๆก็มีความสุขได้อารมณ์โลกโลกรูปสวยเสียงดีๆ กลิ่นดีดีรสดีดีอะไรนี้แพงทั้งนั้นเลยสัมผัสดีดีแพงทั้งนั้นได้มาก็มีความสุขแป๊บเดียวอารมณ์ของการภาวนาไม่เสียสตังหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพุโทโธรู้สึกตัวรู้ได้ความสบายรู้แบบผ่อนคลายจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นมีความสุขไม่ได้ทาอะไรความสุขก็โชยแผ่วขึ้นมา รอเลี้ยงจิตใจไว้ชยให้มาแผ่วขึ้นม า, มานะหัดกับหลวงพ่อใหม่ๆจะเห็นในตัวนี้เยอะเลยต่อไปพอจิตเริ่มเดินปัญญาก็จะเห็นตัวทุกข์เห็นทุกข์ไปได้เลยนะถึงบางช่วงบางเวลามีปัญญามีความเข้าใจธรรมะอะไรขึ้นมาในใจไม่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลบางทีเราภาวนาไปเกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมามันมีความสุขขึ้นมาความสุ ข, ข, น, สข น, นี้นะซาบซ่าน ไม่ใช่ความสุขแบบโชยแบบสมาธิมันขึ้นมานะความสุขวันนี้จะทรงตัวอยู่สักเจ็ดวันอย่างมากยังไงก็จะมีความสุขแทรกเข้ามาในความทุกข์นะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์แต่ใจนี่มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องเสียเงินหรอกนะคนยากคนจนก็ทําได้เสมอภาคกัน คนร่ำคนรวยถ้าภาวนาก็ทําได้เหมือนเหมือนกันก็นะอยู่ในภูมิเท่าๆกันคนจนคนรวยสวยไม่สวยอะไรก็ภูมิมนุษย์เหมือนกันภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิกลางๆเหมาะที่จะปฏิบัติเงั้นเราภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเรานะแล้วก็รีบใช้ความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการเอามาปฏิบัติทำ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปตอนไหนไม่มีกําลังจะรู้ทําความสงบไปอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแต่จิตมีเที่ยวมีแรงขึ้นมาก็กลับมามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางต่อไปอีกแล้สัมผัสความสุขที่ประนีตลึกซึ้งมากขึ้นไปในกายในใจนี่ไม่มีความสุขตัวจริง พ้นออกจากกายจากใจนะไม่ยึดถือกายยึดถือใจจะสัมผัสความสุขที่มหาศาลเรียว่าสุขปางตายเลยสุขของพระนิพพานเนี้ยสุขปางตายเนี่ยเราเคยได้ยินทุกปางตายหรือทุกเกินตายเลยนี่สุขสุด ข, ขีดเลยสุขแบบไม่มีอะไรเหมือนนะครูบาอาจารย์เล่าฟังว่าพะสัมผัสพระนิพพานนะ ที่ปีติอย่างรุนแรงเลยเกิดท ร, รมาปีติน้ำตาไหลาพลากเลยบอโอ้โความสุขขนาดนี้ก็มีด้วยหรือนึกไม่ถึงเลยความสุขของสมาธิความสุขของอะไรพวกนี้เล็กน้อยเหลือเกินยิ่งความสุขของโลกนะความสุขจากการมีรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสอะไรอย่างที่ชาวโลกเขาหากันเนะี่ยมาเทียบกับความสุขที่เรา ภาวนาแล้วเราพบนะความสุขอย่างนั้นสศกปลว ก, กโศโครกมันเป็นความสุขเหมือนนอนกินอุดจระความสุขอย่างโลกโลกเหมือนนอนกินออยู่ในกองอืยกองอะไรงี้ยเหมือนกินมาเน่าความสุขแล้วความสุขที่ประนีตขึ้นมานะของสมาธิเหมือนความสุขแบบคุณหญิงคุณนายมีเพชรมีปลอยเล่นเปนะ็นความสุข ของนักปฏิบัติเรานะโห้ยเกินนั้นไปอีกลเลยมันเต็มใจมันเต็มใจมันอิ่มใจของเราไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มหิวตลอดใช่ไหมมีความอยากเกิดตลอดเวลาความอยากเกิดทีไรความทุกขเกิดทุกทีใจมันเต็มใจมันอิ่มไม่มีความอยากไม่ได้มีความสุขที่มหาศารเกิดขึ้นนั้นพระนิพพานในบางทีก็คือพูดถึงความสิ้นตัณหา เว่าวิราคะสิ้นตันหาไปพอสิ้นตันหาก็สิ้นความปรุงแตง่งสิ้นความบีบคัน้นเรียกว่าวิสังขารเมื่อพ้นไปจากรูปนามที่เป็นกองทุกข์เป็นวิมุตต์หลุดพ้นออกไปนะเอาไปกินข้าวไป